เบื้องหลังของลาบอลังการไม่มีที่สิ้นสุดคือพลังใจในการเป็นโชคให้คนอื่นตลอดชีวิตคนบางคนมีโชคดีกว่าใครๆอย่างเด่นชัดอยู่ดีๆก็ได้ส้มหล่นเงินล้านส่งชิงโชคหรือจับรางวัลก็ได้ตลอดตำแหน่งการงานดีๆเหมือนรออยู่คนเดียวไม่ว่าจะประพฤติตัวดีหรือเลวกลับมีชีวิตที่แตกต่างจากคนอื่น แม้แต่เจ้าตัวยังแปลกใจและไม่รู้ว่าทำไมชีวิตถึงโชคดีอะไรปานนั้นได้ลาบลอยก็เพราะเคยให้ลาบลอยกับคนอื่นยิ่งเคยทำให้เขาดีใจเป็นล้นพ้นยิ่งได้ดีใจเป็นล้นพ้นยิ่งเคยทำให้เขาสมปรารถนายิ่งได้ตามปรารถนาสมใจยิ่งเคยให้ต่อเนื่องยิ่งได้อย่างต่อเนื่องยิ่งเคยให้ในระดับเปลี่ยนชีวิต ยิ่งได้ในระดับเปลี่ยนชีวิตเบื้องหลังของความไม่เท่าเทียมทางโชคลาภคือให้สิ่งใดได้สิ่งนั้นคนทั่วไป น, น, นานๆทีมีแก่ใจอยากให้โชคลาภกับคนอื่นผลจึงปรากฏทั่วไปว่าคนส่วนใหญ่ น, น, นานๆมีลาบลอยกับเขาบ้างคนส่วนน้อยตั้งใจเป็นโชคลาภของคนอื่น ขณะที่ครื้ใจได้ตลอดว่าฉันปรากฏตัวที่ไหนใครได้เจอในวันใดบุคคลหรือกลุ่มคนณที่นั้นในวันนั้นจะต้องรู้สึกว่าช่างโชคดีที่ได้เจอฉันเพื่อเห็นภาพรวมของกรรมพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าให้อาหารชื่อว่าให้กำลังหมายเอากำลังวังชาในการใช้ชีวิต ให้เสื้อผ้าชื่อว่าให้วันนะหมายเอาผิวพันธ์อันเป็นเครื่องห่อหุ้มตัวตนให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักสุหมายเอาการมองเห็นสิ่งที่ควรเห็นหรือต้องเห็นให้ธรรมะอันเป็นอมตะย่อมได้ธรรมะอันเป็นอมตะหมายถึงการช่วยเผยแพ่ธรรมะแห่งความพ้นทุก เช่นกันเมื่อถามถึงโชคลาภก็ต้องได้ทิศทางเดียวกันคือให้โชคลาภยอมได้โชคลาภแล้วสิ่งที่ให้กับบุคคลผู้รับก็ล้วนมีผลเป็นตัวแปร ى. ยิ่งให้ของจาเป็นยิ่งได้ของยามจำเป็นยิ่งให้กับผู้มีจิตสว่างไพรสารยิ่งได้รับสิ่งที่ทำให้ชีวิตสว่างไพรสาร เป็นโชคให้คนอื่นตลอดชีวิตจิต ท, ที่ให้แบบบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าหากเมื่อไปถึงจุดที่มีศักยภาพที่จะให้และมีพลังใจในการเป็นโชคให้คนอื่นตลอดชีวิตผู้นั้นย่อมถือกําเนิดในเลิกแห่งมหาลาบมีตัวเองเป็นลาบตลอดชีวิตไม่ว่าในชาติใหม่ที่รับมรดกจากตนเองมาจะหลงระเริงในโชคชะตา หรือมีพฤติกรรมดีแล้วแค่ไหนตัวแปรที่สำคัญที่สุดคือจิตของผู้ทำบุญเองหากจิตมีมนทินทำบุญด้วยความโลภทำบุญหวังผลทำบุญหวังถูกหวยท่านว่าเป็นบุญระดับตำซา ม, ามคือแม้เป็นบุญจริงแต่ก็เต็มไปด้วยความแปดเปื้อนกว่าจะถึงคิวให้ผลก็ยาวไกลอีกทั้งเมื่อเพลดผลก็ให้ผลน้อย เหมือนน้ำดื่มคุณคุณเจือของสกปรกต่อให้หิวกระหายแค่ไหนก็คงดื่มกินไม่เต็มอิ่มส่วนความดีแล้วแค่ไหนในชาติที่สวยลาบ ก, ก็ต้องไปรับผลตามคิวกรรมกันในชาติถัดไปอย่างยุติธรรมเท่ากับคนอีกทั้งโลกนั่นเอง